เพราะทั้งหลายจะเพ่งโทษหลวงปู่ว่าไปประจบประแจงที่ไหนมานี่รักษาจนถึงทุกขลานนั้นลหล่ะเลือหมายของหลวงปู่ไม่มีไม่มีที่ระแวงเลยทําไมถึงหลวงปู่ถึงไม่เขียนไปหาเขาไม่เขียนเออกลนึกว่าจะออกจากท่านแล้วท่านก็มาประจบประแจงให้กูไปเยี่ยมอีกแล้เกรงเขาจะอย่างั้นแล้วไม่เขียนเลยเขาเขียนมาเรากจึงเขียนตอบเขาไม่เขียนมาเราก็ไม่ตอบสิบปีก็าตามยี่สิบปีก็าตามอทิศของเราเปลี่ยนถึงทุกขลา เพราะเกงว่าเขาจะเป่งโทษเราเออกูหาอุบายออกท่านแล้วท่านก็ยังมาประจเจระแจ์ให้กูไปเยี่ยมหนูลูกว่าหรอน้อก็รู้แล้วว่าใครเป็นยังไงเอน้องปูก็รู้อยู่แล้วว่าใครเป็นยังไงอยันไม่เขียนเขียนทําไมเขาเขียนมาเขาเขียนตอบเขาไม่เขียนมาเราก็ไม่ตอบเพราะลูหลูกหลานจะเพ่งโทษเรายังไงลุงปูได้อะไรมาก็ได้เพราะ ้าจะไปแกงเขาเนี่ยพวกลูกๆร้านเขาก็<ๆ>จะเพ่นโทษลุงปูเ่เลเสียมากอันนี้เนี่ยผู้เข้าใจสูงเขาเขเห็นคิดเชื่อลุงปู่อยู่เหมือนกันเขาได้รับยศหมายอ่ะถูกไหมนั่นเขามาเขาก็มาด้วยความกังวลใจเขาเพราะเราไปเขียนจดหมายหาเขาบ่อยเรียกแช่งเรียกขาเขาใช่ไหมนี่เขียนหาสักเพียงไหมถ้าไม่เขียนแล้วก็ไม่เขียน มาหาลูกปู่ลายีแลนี่เขียนมาลูกปู่ก็ตอบไปเป็นกลางครั้ ง, งนั้นอ่ะเขียนมาขนาดไหนลูกปู่ก็ตอบไปขนาดนั้นเออเดี๋ยวนี่ขาดแคลนอะไรอันนี้ขอนนให้ ล, ลูกๆส่งอะนร น, น, นี่มาไม่มีเลยหรือไม่พเดียงเลยนิสัยของลูกปู่เป็นอย่างนั้นสิ่งไห้ที่เราพเดียงแล้วมันได้มาเราไม่ใช่มันก็ดเดือดร้อนสิ่งไหนที่ได้มาโดยชอบทำแม่เข้าแม่ถักพักเส่นหนึ่งก็ดีเราสั่งแล้ก็สบาย ก็ไม่เพ่งโทษตนเองนะถูกไหมเรามีหน้าที่บวชแล้วก็บวชบางทีเขามาถามลองทดสอบหลวงปู่เหมือนกันคุณโยมแล้วนี้ปัญญาเก่งนะหลวงปู่หลวงปู่ถ้ามมนมีใครมาปฏิบัติจะทำยังไงแน่นโยเออไม่มีใครมาปฏิบัติ มันก็จําเป็นเอาแต่บุญเป็นวะอย่า น, นจะเอาคนไหนมาปฏิบัติหลวงปู่เออเอาคนไหนก็อนแรกแต่เขาจะมีศรัทธาเราจะไปเรียกว่าคนนั้นมาปฏิบัติคนนี้มาปฏิบัติเราเรียกได้อย่างนั้นก็ไปเอารูปเศษถีสีมาปฏิบัติ <laughs> เราไปเป็นท่าบาทเป็นหน้าที่ของเราทิศที่จะควรให้หรือมาให้เป็นหน้าที่ของเขา ถ้าบวชอยู่เพื่อคนทุกข์ในวตาทะสงสารเขาจะมาพบฆ่าชุมสมาคมเราเขาจะมาทําบุญกุศลสินทานกับเรามันเป็นศีลของเขาเขาจะไม่มาก็เป็นศีลเขาไม่ใช่ศีลของเราถูกไหมนะเขาจะมาพบกับเราได้ขนาดไหนก็เป็นศีลของเขาไม่ใช่ศีลของเราเขาจะมาด้วยความจำใจหรือมาด้วยแก้รําคาญก็เป็นศีลของเขาอย่าให้เป็นศีลของเราพูดนะ แล้วก็สบายแท่งถ้าไม่มีใครเอาอะไรมาให้จะทำยังไงครับผมก็นอนภาวนาตายสิแล้วก็พูดอก็นอนภาวนาตายสินีอคุณอรุณอรีก็ทำอย่างนี้ไม่ไว้ก็ไม่ว่าแต่ท้านน่ะ เขาภาวนาหลวงปู่อยู่ในชีวประวัตินี่อ่านเห็นไหมนั่งนั่งยังไม่อ่า น, น, น, นหมดนั่งสองพันสี่ร้อยแปดสิบแปดเขาภาวนาหลวงปูเปเ่เขาชอบโบราณเขาชอบไฟอ่านเขาชอบโบราณเขาชอบโบราณไม่มีไฟฟ้า น, นะหลวงปู่ด้ยนะเขาใช้เทียนกับตะเกียงเขาชอบโบราณ ทุกทีมามาถึงผมก็แจ้งวาเพราะว่าผมติดน้ตแบโบราณน่ะข้าโบราณนม่ยิไฟฟ้าใช่แต่เอกท่านจะที่ว่าห้าสิเจ็ฟ้ามีอย่างน้แลวนนีก็ม่ใชปัญหาเรื่นี้สายของขาเข้ามานแต่ลกผูเขาไม่ชอบหรแต่มันได้มาโดยโดยเอบตามหกลูกผูกแล้วลู่กผูก็มีไฟฟ้าดีแล้วค่ะขอนโ้ที่สามของผูกอ่ะ เข้าไปเพื่ออรหัตที่สาเร็จ้วยไม่ต้องลำบากก็มีอยู่เหมือนกันมีอยู่ไม่ม่ไม่อยู่ไม่ต้องลาบากมีอยู่เหมือนกันมีมีอยู่เหมือนกันเราบตัวที่เเองเรว่าแอรวหมายถึงตัวเอช ไฟฟ้าเข้ามาถามหลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่จะเอาไหม้ไฟฟ้าพัชนามาถามเออเอาไม่เอาหลวงปู่เขตอบไม่ถูกเพราะหลวปู่ไม่ได้หาเงินหลวงปู่หาเงินไม่เป็นเอาที่หลวงปู่แต่กลางวันแสบแสบก็จะตกเหี่ยวตายอยู่แล้วเพราะหลวงปูม่มาอยู่นี่ ก็หลายปีแล้วในชีวิตของลูกผูกก็มีวัดเดียวเท่านี้ลูกปูกเออถ้าลูกผูกไม่มีใครผ้าลูกผูกก็จะตกเหงื่ตายนะไม่ใช่ลูกผูกมาอยู่สิบวันสิบห้าวันช่วงชีวิตลูกปูก็มีวัดเดียวเท่านี้ ล, ล, ลูกปนะูกด เ, ดอเอาลูกผูกเราจะไปถือแบบดินรับราชมันไม่ถูกนะลูกผูนะ เพราะที่อยู่ไม่เหมือนกันสถานที่แต่ละคนน่าเห็นก็เหมือนกันถ้าเอาก็ไม่ใช่ไฟฟ้าหลวงปู่ใช่ไหมก็ไฟฟ้าเพราะพระผูประทานปสงค์ได้มาโดยพระผู้ประทานปสงค์ใช่ไหมโอ้ถ้าผู้ใหญ่มาเอาก็แน่เนี้คือคุณเขาประทาสเขาไม่สร้างภัยมาเขาก็เลยเอาคุณโยมอรุณีมาเห็นก็หูบเปหมดหมเลยหุบเปหมดเลย รวบออกหมดเลยถ้าไม่มีไฟฟ้าถ้ารังนี่ก็ไม่ได้ถ้าอาังนี่ก็ไม่ได้เองเหมือนกันล่ะเอา้าจะมาผูกกบลากหมานี่อย่างนี้มันก็ไม่ไหวอะไรนี่เขาก็ทำขึ้นที่หลวงปู่เนืเออยู่ว่าทรับในไตรเรากรสเา็นของพระสรมาขงพระพุทธเจ้าทั้งหมด เขาจะถือศาสนาพุทธหรือไม่ถือศาสนาพุทธก็ตามเป็นสั์เป็นทรัพย์ของพระบรมศาสนาแลี่พระอรหันต์ทางนั้นเพราะท่านทางลายเหล่านั้นคลายทิ้งแล้วคลายทิ้งแล้วไม่ใช่ของท่านแต่ข้าท่านคลายก็เป็นของท่านอยู่เพราะเหมือนนําลายในใจโลกธาตุเหมือนนําลายของพระอรหันต์เพราะเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาหมดทรัพย์ในใจโลกธาตุเราพูดอย่างนี้เลย ผมปู่มาหาก่มาเมื่อไหรมาม า, มาเห็นไฟฟ้าก็นึกว่าจะม า, าดูแต่ก็ผมก็ไม่ต้องการเอาหรอกแต่ว่าเขาบอกว่าสถานที่กลางวานันแสกแก็จะตกเ้วตายอยู่แล้วแลวปู่เอาทักตัวลูกจะหามาให้เองก็เลยปล่อยกอ่อนก็เลยทำถ้านี่ทักกระสองดูซารา โอ้ไม่ใหญ่ตัวเท่าไหร่ท่นผะคงจะมีคู่ไปฟ้องว่าสร้างศาลาตัวใหตัวแ <c oughs> คบก็เลยไม่ดุที่ทุกครัวครับก็เลยไม่ดู <c oughs> ข้างข่าวาเราไม่ขาดศาลา เขาสร้างวัดถวายอาาถาดที่กเกษตรถี่45โกดก็เป๋าดียูแล้วก็แนวที่สาขา29โกดกระเป๋าดีอยู่ทิพร่าจึงเป็นโกอสิบไปคูณ45ดูสิจะเป็นทีพรา่าิ0ไปคูณ29ดูสิจะเป็นทิพรา่า19 9 0 สิบสองเี้ยสิเป็นยจ็ดสิบเก้าเป็นขีรา่าสี่เสื้อผ้าโกรเป็นขีรา่านั่นกระเป๋าเดียแต่ทางคิดใจท่านก็พัฒนาไปถึงพระตัวระวัลสกทาคังพัฒนาทาั้งวัตถุนรรยมพัฒนาทาั่งอารมคติเนื้อทังพุทธการไปพรอมกันเลย คำภาษาบราณเา่าห้องเจ้าขั้มกันทขั้งแพร่ยอดซอฟาพี่ระแกวโนวยนิ่มเขาเส่าเวมาขอข้างพุทธการเป็นทองคำทั้งแท่งเลยแต่ทุกวันนี้มันไมีเนอะ แต่ว่าข้างพุทธการว่อยว่าพัฒนาไม่ถูกเนอะนะแต่เบื้องต้นเมื่อเวลาไม่มีผู้เรื่อมใสผสมมาการเบื้องต้นท่านก็อยู่ลุกขมูลมากแต่ในยุคกลางของพระพุทธศาสน า, ศายุคท้ายของพระพุทธศาสนาก็มีผู้สร้างวัดวาอารามขึ้นมากมายเป็นกายเป็นกองนิโคทารามปาไม้นิโค กุฎาคารฝ่ามหาวันก็เป็นศาลาสองชั้นใหญ่โตของาลและข้างพุทธกาอยู่ในประเทศเอินเดียนั้นก็มีอังคะมกะทะกาสีโกตะวัชีมันละ เจตีวังสะปุรุปัญจาระมั ช, ชะสุรเสักตะอวันตีคันธาระกำโพชะภะคะวิเทหอังคุดกาปะโกริโกยะภะคะวิเทหะกาสีโกสะละวัชีมันละเจตีวังสะปุรุปัญจารมัชฌะสุรเสศกะอวันตี กันธาระกัมโพชะภักขะวิเทหังคุตตราบสักกะโฟรยะสกกะคือกับชื่อกบินละพัดโภรยะเทวทหะหรือรามคามพวกเรานี่มีวัดวาศาสนาท่านั้นในประเทศอินเดีย มีพระพุทธเจ้าแผ่นดินปกครองอยู่ทุ ก, ทกสถานเลยแต่ว่าอ า, าสมัยก็โรมาศาสตร์กรุงเทพนะครรัชพัฒน์เป็นเมืองขึ้นของสาวัตถีนาะสาวัตถีก็คือโกศลโกสละโกสละพระเจ้าปเสนที่โกศลสาวัตถีเป็นเมืองขึ้นของเมืองสาวัตถีแต่ว่ามีพระเจ้าแผ่นดินอยู่แต่ว่าเป็นเมืองขึ้นพระเจ้าแผ่นดินก็พระทตธนะ งงที่นี่น่งทำอะไั้นส่งสูงสปาร้อะไรก็ปรรารกาใช่หรือสงสัยอะไรก็ปาร้าอีกเนาะลูกปูจะได้ยังเชื่อขอใครใครเชื่อละอย่งเช่นลูปูย่นีนะ นั่งดูนั่งแล้วก็ดูนั่งสมาธิแล้วอยากรู้ว่าคุณสวัฏขีเป็นยังไงดูได้ก็ดูได้สิอยู่ได้เกิดขึ้นอะไรเพราะน่แตกสลายมคนอยู่ใต้อำนาจได้จังว่าเเคยอ่านในพระไตรปิฎกว่าสมเด็จพรสามมาสัมพุทธเจ้าไปอยู่กุมสวัฏขีนาน ว่าท่านจะเสดออกจากกลุ่มสวัีท่านก็หันไปดูกลุ่มสาวัีแล้วท่านก็ปาล็อกขึ้นว่ากลุ่มสวัตถสวยงามมากละเอียดนะอาจารย์ชอบของนคนละขาจิตคนะขาิตลงย่อรัก <laughs> คนละขาจิต <laughs> ติดอะไหลงผู <laughs> ย่อรับไม่ปวดนะหลงผูไม่ปวด คนลาข้าจตก็พยายาค่รเก่าคนลาข้าเจติตองก็ต้องมันก็ต้องพิจารณาอสุภะกระโหลกหมวผีแขนคอกลัวกระโหลกหัวผีมาแขนแหวนคอเดินจงกรมกที่นี่มอยู่กับน้องก็ยอับเลยว่ากลัวนี่ก่าสมมติว่าสาวไส้สาวไส้ออกมาคล้องคอเดิยนจงกรมนั่งภาวนา คิดก่อนนะนนอลวคิดก่อนว่าเอาใส้ อ, อกมาคลองคอเหรอคะคิดคิดสมมุติสมมุติขึ้นก่อนสมมติขึ้นก่อนทีมม น, น, นี้สมมตุติถ้าถ้าเกิดมันธรรมะเกิดแล้วมันมาแฝงพอจริงๆนั่นหนูบ้าทํำยังไงต่างๆ ไ, ไม่เป็นบ้าหรอกรู้จักว่าตนเป็นบ้าก็อย่าเป็นสิหลวปู่ก็ถูกเหมือนกันอืมไปภาวนาอยู่เกิดปีติขึ้นตอนทางคืนร้องขึ้นอยู่คนเดียวอยู่ปูเขาเอ๊ะมันจะเป็นบ้านะ ถ้าคุยจากวก่ตนกกจะเป็นว่าเขาจะเป็นสิมันต่อมันเลยมันเอาปัญญาต่อมันปลายข้างหนึ่งหยกคอหอยเนอะไสใหญ่เนอะไสน้อยไสใหญ่ปลายข้างหนึงหยู่ทวนหนักเนอทวันหนักที่มาอยู่ในเทาที่อยู่ในท้องเนี่ยทบไปทบมายีคิดเอ็ดกดเนอะไสใหญ่มีไสไสน้อยไสเหียวไสใหญ่ไว้ปลายข้างหนึ่งอยู่คอหอย เวลาเราเกินอาหารลงมาก็ามาแหวกน้ำเสดเนี่ยน้ำเสดเมื่อไรปับป๊บปับป๊บปั๊บปิดเข้าปิดเข้าเกินน้ำอยู่ห้าวาไม่ได้มันก็แหวกอยู่หาหาหน้าวาไม่ได้เมื่อยสดเกินมันปับน๊บเข้าขมานี่ปิดไว้คําข้าวแต่ละคํามันคำตกออกมาก็ปิดไว้ปิดไว้เป็นคขังหม่งหองอยู่คอหอยถ้ามันมีน้ำเสดคํายู่ที่พอหอยเนี่ยพวกเราพูดคำไม่ได้กเหมือนคุ้งเนื้อเนื้อแตกกระเจิองอะไร ดีมือท้ายฝักอย้อยู่ใต้ตับท่างม่าเี้ตับเป็นแผน่เนื้อสองแผน่นมีสีดำคร่ำเหมือนลิ่นโคําผู้มีปัญญาตับเป็นสองแฉบบางสามแฉบบ้างปอดปกคุมม้ามหัวใจและตับอยู่ปอด ม, ม้ามอไม่ใช่ ม, ม้ามปกปอดปกคลุมม้ามหัวใจแะตับปอด ม, ม้ามเป็นแผนเนื้อสองแผนเหมือนมะม่วงสองผลที่มีกว้งอันเดียวแขวนโตงเตยียงหัวใจเหมือนดอกวาตู หัวใจมันหลังหัวตูตั้งตั้งท่าขงกลาง อ, อกที่นี่ถ้าเราแหวกออกหัวใจแหวกออกไงเม่น้ามอยู่ น, นอยนู่นหัวใจเนี่ยประมาณซองมือเวลาเรามีราคะขึ้นน้าหัวใจก็ขุนเวลามีโทสะน้ําหัวใจก็ดําถ้าเราพิจารณาปัญญาสมาธิอยู่น้ามหัวใจเอาเรื่องหัวใจก็สใกสเหตุฉะนั้น คนตายชาวอีสานจึงว่ากอนามาพะาปล่างหน้าร่างหน้าให้ศบถ้าหากว่ากิดใจนะไม่เหมือนกอามาพะพวกเราจะได้มาเกิดแก่เกิบตายอยู่อย่างนี้ไวาอย่างนั้นานามาพะมันมีตะกอนั้งผืดเมี่ยวเ น, เนื้อกับหนังติดกันไว้บ้าง เนียวนังกับเนื้อติดกันไหมว่าเหนืยวกับเต็นกําเนื้อติดกันไม่ได้ว่าเหนวกระดูกติดกันไม่ว่าเหมือนใหญ่แมง ม, มุมต้อกไตก็อยู่ที่สารหลังดังที่เข้าผ่านตัวใหญ่ใช่ไครับอาหารใหม่ที่เกินลงไปอยู่ในกระเพาะอาหารอาหารเก่าคืออาหารนอนท่อปะปนกันอยู่กับอาหารใหม่นี่กำลนงเราเป็นธาตุกิน ข่านาน้ำเนี่ยน้ำดีพูดแล้วน้ําเสลท์ พ, พูดแล้วน้ําหนองอยู่ตามซีระบาดแผลน้าเลือดเป็นฟองหยางไหลซึมซาบลงมาตั้งหูดท่วมหัวใจจั๊กปอดไห้ซึมซาบลงมาในหัวใจจั๊กปอเที่ยวล็กะน้อยอยู่นในตรงนั้นก็คือเหมือนน้ำครั่งจางๆ เลือดก้อนเลือดตั้งอยู่ทั่วมากหัวใจตอบปอดที่มันก้อนที่มันเป็นก้อนเ น, อนี่ยก็ไหลมาซึมซาบอยู่เว้นไว่แต่ผมและขนและเล็บและฟันอันเป็นของแข็งเสียหน้าเหงือ่อออกมาจากขุมข่มผมขุม่ขนขุมข่มผ ม, มในเวลาที่มันร้อนหรือชาติกวนกวายเหมือน น้ำมันงานมีกลิ่นและสีเม็นสาบน้ำมันข้นรือตามจะงอยบกและหลังมือและหลังเท้าและฝ่ามือฝ่าเท้าน้ำตาไหลออกมาทางขุมตาน้ำลายไหลออกมาจากใต้ลิ้นแลวมายอยู่ในกระพุ้งแก้มทั้งสองน้ำมูก ไหลออกมาจากทางมันสมองจากมาปลายจมูกน้ำไข้ข้ออยู่ตามข้อกระดูกน้ำมูกเกิดออกจากอาหารเก่าเป็นที่อยู่ของปัสสวะน้ำไขข้ออยู่ตาข้อกระดูกคือธาต น, น้าไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโสงไฟที่ยังกายให้กรธกวาด ไฟที่เขาอาหารย่อยนี่รกลมพัดขึ้นบ้างบนลมหาวลมเรือลมอ้วกลมจามลมไอลมพัดลงบ้างต่ำ่ายลมถ่ายอุจจระถ่ายปัสวะดันออกลมในช่องนอกไส้ลมในไส้ลมพัดไปตามตัวเส้นออ่นลมหายใจเข้าลมหายใจออก ความพิจารณานี้ให้เห็นเป็นแต่เพียงคาดสีคือเินน้ำไฟลมมาชมกันอยู่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรียกคาดกรรมฐานาวิธีกระจายออกนะที่จะกระจายสกนลกายออกผม อยู่บนศีษรษะมีกลางโตบ้าส่วนที่ฝังลงไปจะมาหนึเม็ินิเมตรธาตุธาตุอันใดมีลักษณะแข็งแข็งถ้านั่นเป็นปัสสาวีธาตุปัสวีธาตุนั้นที่เป็นภายใน คือผมขนผมขนขนรักแร่ขนหนวดขนเคราขนข้างขนขาขนถวาวรหนักขนถวาวรเบามันตั้งอยู่ยงไง มันมีลักษณะยังไงมันมีกลิ่นและสีเป็นยังไงเราก็สั่มเหนียบเล็บหูปลายมือปลายเท้าเหมือนเกล็ดปลามีลักษณะยังไงมีชีมีกลิ่นและสีเป็นยังไงฟันอยู่เต็มปากมีสิบ ส, สี่ซี่ทั้งข้างบนข้างล่างฝังอยู่ในเนื้อแม้จะร่างดีสักอย่างไรก็ตามก็มีกลิ่นและสี ไม่เสีธรรมชาติของมันคือสกปกโคมงงอหนังมุ่มอยู่ทั่วทั้งกายเนื้อถัดหนังเข้าไปเป็นชิ้นๆ้อกพอกกระดูกไว้ดังดินทาฝาเอ็นผูกมัดรัดรึงกระดูกไว้เหมือนเทวัน หรือเหมือนเชือกที่มัดฟืนมีทอนน้อยและท่อนใหญ่กระดูกมีประมาณสามรอยท่อนถ้ากระดูกเนี้อมือด้วยเยื่อในกระดูกก็เหมือนและมีลักษณะกระดูกก็เหมือนสังที่ยังไม่ได้ขัดเยื่อในกระดูกก็เหมือนหยดหวายที่เขาเผาแล้วเอาไปใส่ไว้ในกระบอก มน้าดังชื่อว่ า, มาแม้ว้หัวใจลับทางผืดเดียวเนื้อกำลังเดียวนังกำเนื้อดังชืาาอ่อย่าไ่ด้ปลปอดไตใหญ่ไตน้อยให้มาแห้งเก่าอออันนี้ถัดดิ้นนี่แยกออกแล้วน้าดีเสรเนืนอเลือดเหงื่อมันคน้นหน้าตาปริมาณน้ำลายน้ำมูกน้ำใสคอ้นมุดเอานี่ยถัดหน้ า, นนานไฟเสียงกระแฮบอุ่น ไฟที่ยังกายให้สุดโต่งไฟที่ยังกายให้กวยน์ควายไฟทีไฟที่เพระอรหานยอยันต์อนนี่ขาดไฟเยกขาดเลนี่ยลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลงพัดใจเข้าลมพัดใจออกนี่ ท, ทับลมสิ่งเหล่านี้ผสมกันเข้าเป็นกายแยกว่ารูปกที่แยกออกแล้วเนี่เป็นคนละอันละอันไม่ทดัดดหน้าแฝงลมทีนี่ เวทนาความสวยอารมณ์สุขทุกขเวทขาสัญญาความจําจํารูปจําเสีย ง, จ, ง จ, จ, จํากลิ่นจํารสจำฝนจำพระจำธรรมอารมณ์สัญญาเข า, าอีกว่าเขาบอกอีกว่ากล า, าอีกดินนา้าไฟลมแยกออกแล้เนี่ยเวทนาความสวยอารมณ์สุขทุกขเวทขาสัญญาความจําจําอะไร จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผดทพะยะจำธรรมารมสัญญาคืออะไรคือจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผดทพะยะจำธรรมารมณ์รูปเวทนาคือความสวยอารมณ์สุขทุกเห็นรูปมาแล้วสวยอารมณ์สุขทุกเบียดขากดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีเดินมาดินน้ำไฟลมเวทนาสัญญา สังขารความปรุงแต่งแห่งจิตนักดีนักตัววิญญาณความรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางเล่นทางกายทางกายนี่ก็ดินน้ำไฟลมมีรูปซักรูปย่นลงมาเป็นรูปขันซะไย ห, หรือรูปประโลกก็ว่าเนี่ยหรือรูปประธรรมก็ว่าหรือรูปประธาตก็ว่าหรือรู ป, ประขันก็ว่าหรือรูปประอินทซีก็ว่าอเนี่ยว่าหลายอย่างเวทนาทัญญาสังขารวิญญาณ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นนามธรรมนามแปลว่าชื่อมันเพราะมันไม่ปรากฏเทียนแกตาแต่ปรากฏเทียนแกใจลูกกนามนามธาตุนามธรรมานามขันกว่านามโลกกว่านามเอ็นซีกว่า่เพราะใส่ชื่อคือนามหลายอันที่มารวมเข้ากันก็เป็น เป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาชื่อสมมติออกเนี่ถ้าขยายออกแล้วสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีนะเสลีพราะแยกออกแล้วมีแต่ดินน้ำไฟลมและน้ำเท่า น, นั้นทีนี้มันมาขัดต่อถ้าว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์ปุบุเป็นบุคคลมันก็ต้องเป็นของเที่ยงสิอย่าให้มันเกะอย่าให้มันเก็บอย่าให้มันตายอย่าให้มันเกิดขึ้นแรื่อยๆเพราะน่าจะสลายมันฝืนความประสงค์ของสัตว์ทั้งหลายเหตุนั้นจึงว่าเป็นอนัตตาเพราแยกออกแล้ว คนเราถ้าไม่หลงดินถ้าไม่หลงน้ําถ้าไม่หลงไฟถ้าไม่หลงลมถ้าไม่หลงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยกิเลสจะมาจากประตูไหนที่นี่มันก็ข้ามทะเลหลงไปแล้วเนี่ยนั่ง ข้ามทะลหลงได้วความไม่หลงได้วความรู้ตามเป็นจริงแล้วก็ข้ามโลกไปแล้วเนี่ยทีนี้อดีตคืออะไรถ้าจะเราจะพูดคือดินน้ําไฟลมที่ล่วงไปแล้วคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ล่วงไปแล้วอานาคตคืออะไ ร, ค, ร, ร, ค, ออะไรคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคืออะไรคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ยังกลำเป็นอยู่ เมื่อเห็นปัจจุบันชัดในตอนไหนอดีตอนาคตตอนนั้นก็ไม่สงสัยเมื่อเห็นอ น, นิจจังชัดในปัจจุบันอ น, นิจจังในอดีตในอนาคตก็ไม่สงสัยเมื่อเห็นทุกในปัจจุบันทุกในอดีตอนาคตก็ไม่สงสัยพูดตอนนี้พูดลงอีกก็ออมาอีกที่นี่อดีตคืออะไรผู้ลู่ที่ลว่วงไปแล้ว อนาคตคือผู้รู้ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือผู้รู้ที่กําลังเป็นอยู่เป็นแต่ศักว่ารู้ไม่ใช่สักด์ไม่ใช่บุคคลเมื่อปัจจุบันไม่ใช่สักด์ไม่ใช่บุคคลแล้วอดีตอนาคตจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลมาจากประตูนั่นมี่จะเกิดขณะเปลี่แปรงวรนั่งแต่สบายด้านปัญญาอบรมสมาธิเพราะว่าด้านสมาธิอบรมปัญญาเพราะว่านี่ความสงสัรสบาก็แต่กระเจิงเห็นชัดในปัจจุบันแล้วเห็นชัดในปัจจุบันชั้นไหนไหนอดีตอนาคตชั <lives S 1> ้นนั้นก็แต่กระเจิง แล้วเขไม่สงสัยอีกไม่เคอะปรคืนอีกเมื่อเบื่อได้เมื่อนในปัจจุบันแล้วอดีตอะไรเขาก็เบื่อในไปในตัวเพออาปัจจุะเอาปัจจุบันเป็นพยานเอกเป็นตัวประกันด้วยเพรุะฉะนั้นจึงย่นภาวนาลงมาในปัจจุบันปัจจุบั น, นันเจโยธรรมย่นศีลย่นสมาธิย่นปัญญาลงมาคำพูดของเราที่พูดอยู่แต่ต้นเงนอวสานแล้วก็ย่นลงมาในปัจจุบันซะไง เอพูดมากก็มากมากมาจากไกลพูดน้อยก็น้อยออกจากไกลก็ย่นลงมาหายใจย่นลงมาหาปัจจุบันนี่เองนั่นเห็นุกนปัจจุบันทักตอนไหนอดีตอนาคตตอนนั้นก็ไม่ต้องสงสัยถ้าหลงปัจจุบันตอนไหนอดีตอนาคตตอนนั้นก็หลงเหมือนกันนั่งนั่งนั่นนั่งใครจอะไรนะทีนี่นัน่ น, น, น ปรากฏว่านราว่านักชงนไปแล้ววันน ko so ี้เาดรดยเหยียดท้ามาแล้วก็เห็นได้ตาเดียนะคะว่าเท้ารหมขาดิน้ท้าเราแล้วอจ้องไปที่แน่นอนแล้เรามองข้ท้าทหายไป่ง้งสอข้างเจ็ดชาี่เรชงนเป็นทันจังถกแล้วมันเป็น้ื้อไมิตซื้อดีซื้อเป็นเนมิตรดี นี่ไม่ป็ว่าเครื่ อ, อ, อหมายนี่ไม่เครืงหมายก็เกิดดับไปเหมือนกันเพราะพิจารณาตามเป็นจริงเราพิจก็นาอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเรียกว่าพี่ก็นารู้ตามเป็นจริงถ้าไปฟื้อนอนั้นเรียกว่าไม่รู้ตามเป็นจริงเราไม่ใช่จะไปแต่งมันมันมันมันเป็นจริงก่อนเราแล้วเราต้องรู้มันตามเป็นจริงสักไม่ใช่เราจะไปแต่งมันความเกิดความดับก็ไม่ใช่เราจะไปแต่งมันมันเกิดมันดับเองมันเรารู้ตามเป็นจริงเทานั้นรู้ตามเป็นจริงก็จะทิ้งความช่องใสงของเราตามเป็นจริง แล้วก็ปฏิบัติตามจริงก็ลดทนตามจริงเท่านั้นถูกถูกอ่ะถ้าพญายาวเข้าเขาต้นจากกิเลสทั้งพวงอ่ะถูกถูกถูกถูกเออ บรหารก็คือหานลงในปษษัจจุบันนั่นเองเราพูดมาแต่ต้นจนนวฐานจนหนวกหูแล้วก็ย่นลงมาเป็นหนึ่งเกิดขึ้นแลเขาแ ป, ปลตัวน่นแต่สลายวจีวจีสังขานนะั้นเราพูดอย่างนี้พูดแต่นี่ไปจนพรุ่งนี้มันก็เป็นวัชีสังขารเกิดขึ้นดับเหมือนกันก็เป็นจิตตาสังขานเหมือนกัน ก, ก็เป็นกายใจสังขานเหมือนกันพราะกายเป็นผู้นั่งตาเป็นผู้พูดจิตเป็นผู้นึกคิดนั่ ง, ก, ง, ง, งก็เกิดดับอยู่ไม่มีหานระหว่างไม่ได้นั่นอันนี้ก็ดับเกิดดับหานระหว่างไม่ได้ะจ็บต่อกันเลย เราต้องรู้ประวัติเรองนะเราเกิดมาในวันตาสองสามไม่ใช่รอบใหม่ของเราเป็นรอบเก่าของเราที่เคยเราเกิดมาแล้วนั่เเนเองที่เราเคยทนทุกข์ได้ยากมาเองเราหลงปัญหาของเรานอกจากปัญหาของเราก็ไม่มีอะไรจะมาหลงปัญหาของเราเพราะทำไมปัญหาจึงมีว่า ก็พอเราสร้างขึ้นมากเรา้าเยอทะยานว่างในวัตฏสงสารเพียงใดปัญหาของเราก็มากเพียงนั้นถ้าเราเห็นภายในวัฏสงสารในปัญหาของเราก็น้อยลงเออในในรบลวนอนิจจังในในรบรวนทุกขังในในรบลวนอนัตตาอยู่ในเป้าอันเดียวกันแล้วเราจะไปสงสัยอะไรอีกที่แล้วต้องตัดความสงสัยเียเพราะในในรบลวนอนิจจังเกิดขึ้นแล้วเป็นปัจจัยแสลายใช่แล้วเพราะได้ในรบรวนทุกขัง ถึงได้ไม่เที่ยงเสียนก็เป็นทุกข์ก็คืออ น, นิจจังนั่นเองรถของอ น, นิจจังก็คือทุกข์ลดของทุกข์กับบทลดอนิจจังก็คืออนัตตาเหมือนกันอันนี้จังทุกขังอนัตตาพะก็อยู่เป้าอันเดียวกันไม่ใช่ว่าอันนี้จังอยู่นี่แล้วกัทุกขังอยู่นี่แล้วันอนัตตาก็อยู่นี่อย่างนี้มันหลายตัวเกินไปนี้จังทุกขังอนัตตาผสมยสอย่นี้ไม่ใช่ราศีนอยู่นี่แล้วกัสมาธิอยู่นี้แล้วกับปัญญาอยู่นี้อันนั้นท่านเรียงออกให้เราเป็น ลู่เฉยๆหรอกอาจารย์เสียสิ้นสมาธ่ปัญญามันกงเกินกันอยู่นี่นังน่าเองกระดูกก็ากงเกินกันอยู่นี่ใช่ไหมหน้าขับตามันก็กงเกินอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแกเกิดแกเก็บตายมันโกงเกินอยู่อย่างนี้ก้อนแก่อยู่ที่ไหนก้อนเก็บก็อยู่ที่นั่นก้อนตายก็อยู่ที่นั่นใช่ไหมนั่นถูกไหมนั่งดินอยู่ที่ไหนน้าก็อยู่ที่นั่นไฟก็อยู่ที่นั่นลมก็อยู่ที่นั่นคือเราแยกทำไมแยกเพืเข้าใจทัศน์เป็นบุคลาทิฐานนาะอ๋อเล็กแกแล้วก้อนแล้วก้อนเราไปเผาดูซิก็มีทั้งดินน้ําไฟลมือนกั โอ้ถ้าไฟก็มีอยู่ทุกขนทุกแห่งแ่ะเอาเราเอามาสีกันดูสิมสันก็รอดเหมือนกันเนี่ยนี่ลมพัดไปมาอยู่ทุกขนทุกแห่งนี่น่ะก็มีท่าลมน้ํำเราเผาไฟเข้ามันก็เป็นน้ำนั่ะน้ำก็ไปเป็นน้าไฟเป็นไฟลมเป็นมลมเขาเรียกว่าโรกเท่านั้นเองโลกในส่วนลูกนี่โลกในส่วนน้ำก็คือเวทนาสัญญาทั้งสามอย่าะโลคภายในโลกภายในก็คือตาหูจมูกนิ้วกายใจ ตาหู screws, จมูกเลียกายจัเป็น oh รูปขันจัเป็นรูปขันตาหูจมูกเลี้ยกายจับเป็นรูปขันใจจัเป็นนามขันผมขนเนียฟันน้ำงินกระดูกเนี่กระดูกว่าคนใจจะังเปลือกจะพใส่ให้ใหมาอานใหม่ให้ต่อก็เป็นดินนีเสด็จแล้วก็เหลือมัคดนตาเป็นนามน่าลม้วนไข่น้ำไข่ข้อน้ำมูดจับเป็นธาตุน้ำธาตุลมกับ็นธาตุไฟเหมือนกันจัเป็นรูปขันเลยจัเป็นรูปขันกับรูปประธาตกับรูปธรรมก็มีความมาเดียวกันเกิดขึ้นใรากนแตสลายมนกัน นามก็เกิดขึ้นแล้วแ ป, ป, ปลแปลปวงในแต่สลายเหมือนกันแต่ว่าเกิดเร็วดับเร็วกว่ารูปเนี่ยทั้ระหว่างไม่ได้ทังขันใดเกิดขึ้นในอดีตสังขันนั้นก็ดับในอดีตสั้งขันใดเกิดขึ้นในอนาคตสั้งขันนั้นก็ดับในอนาคตสั้งขันใดเกิดขึ้นในปัจจุบันสังขันนั้นก็จะดับในปัจจุบันเธอจงรู้ตามเป็นจริงเชื่อเถิดยะถาภูตังสำมัปปัญญายะทัสสะเธอจงรู้ตามเป็นจริงเนะ <the> อย่าไปยืนยันว่าเราว่าเขาว่าสาระบุคลบคลเนอะตภาวธรมสาระที่รวมศีลรวมสมาธิรวมปัญญามาแล้วจริงๆโดนลงมาอยู่ไต้ศิขขาใช่้ะไต้ศิขขาก็คือศีลสมาธิปัญญาไตรแปลว่าสามศิขขาแปลว่ากว้างขวางกว่าศิขาบดศิขาบดหมายความว่าบทหนึ่งเลยศิขขาหมายความกว้างถึงศีลสมาธิปัญญา ที่ค่าบทไม้เฉพาะบนบทแต่อายทแท้เขามารวมเป็นอันเดียวกันพระพุทธศาสนาสอนให้ชนะความหลงของตนไม่ได้สอนให้เป็นคีย์ค่าความหลงของตนนสอนให้ข้ามทะเลหลงของตนไม่ได้สอนให้เป็นคี้์ค่าความหลงของตนสอนให้ชนะความหลงของตน เอาอะไรมาชนะควาหลวงของตนนอกจากสติปัญญาไม่ม right? ีอะไรจะชนะมันเลยนะแล้วทําไมเรามุ่งหวังในวัฏสงสารมาก็ปัญหาของเราไม่มากกิเลสของเราไม่มากเราก็มุ่งหวังมากสิกิเลสของเราไม่มีมากเราก็ไม่มุ่งหวงมุ่งหลังหวังมากนะผู้มีกิเลสน้อยก็มุ่งหวังน้อยผู้มีกิเลสมากก็มุ่งหวังมากผู้ไม่มีกิเลสเลยก็ไม่มีอะไรจะมุ่งหวังน่เราเห็นโทษเห็นภัยอย่างเต็มภูมิ ก็ดับเพลินอย่างเต็มพูนนะกลุ่มใ น, นวั ต, ตาทั้งสารปัญหาก็เบาลงแล้วนะนะเอา้าถ้าเราไปรักดินแล้วถือว่าเบินดินเป็นของสวยเราก็สอนเราสิแล้วก็ไปนอนกอดดินสิเอาดินมาพวกเราน้ำดินน้ำไฟลมทันะ้งนั้นรวมกันเป็นเป็นกายเรียกว่ารูป กอดินน้ําไฟลมีอยู่แล้วนี่ทุกขนทุกแห่งถ้าเราถือว่าหน้า ม, มันสวยหรือเรารักมันแล้วก็นอนน้ามันอยู่มันควายสิถ้าเรากอ <c oughs> ดินแล้วกเ็เอาดินมาดมมากอดมานอนด้วยสิถ้าเราลักไฟแล้วก็ไฟมากอดนอนรักลมลมมากอดนอ น, นอุบายสอนเราทีนี้มันก็จางออกทีนี้นี่เราไปหาอุบายสอนมันเสียเลยมีแต่มันบอกว่าใช้หันแล้วก็บหันขึนข้น ว้างหาก็หางั๊กกำลังหางก็ครกั๊กแล้ขอจัดกั๊กอย่างนี้ก็ทําอย่างนี้เลยมันบอกเรามันทบเราได้แล้วเชื่อกิเลสเราไม่สู้มันเรามีแต่คอยกับมันเพราะมันล่างสมองเราดีแล้วเหตุฉะนั้นเราจึงจะกู่ชาติสิจะเอาอะไรมากู่ชาติก็เอาความจริงมากู่ชาติเอาธรรมสีนภาวนาเอาพระพุทธธรรมอสมมาคู่ชาติเรียกว่ากู้อริยชาติขึ้นมานะ โอ้อระศัรดความกลัวก็โอ้พระศักดก็กลัวเหมือนกันความกลัวมันมาจากไหนอ๋อแล้วก็สอนมันอีกสิเข้าใจนกลัวเข้าใจไม่นึกลัวสมบัติของใจไม่มีแต่กลัวสิ่งเดียวสิ่งที่ไมกลัวทําไมไม่เอามานึกมันก็มีสอนอกีกว่ากั น, กน สมบัติของใจไม่ใช่มีแต่กลัวอย่างเนี้ยสิ่งที่ไม่กลัวก็มีทําไมไม่เอามานคิดใครเป็นผู้สร้างกลัวขึ้นเพราะว่าเรามตสตย์ดาก็สอนตอนเองว่าเวลาเราเดินโยกรมอย่าเรานึกกลัวเราก็เดินจนหายกลัวเราจึงหยุดทางพุทธนะเวลาเรานั่งอยู่มันกลัวเราก็นั่งจนมันหายกลัวเพรอย่างนั้นเราเวลาเรานอนอยู่มันกลัวเราก็นอนจนทําให้หายกลัวทางพุทธอย่างนั้นพราเมตสตย์ดาอุบาย นอนจนหายกลัวท่าเวลาไปยืนอยู yes, yes, yes. No? ่กลัวยืนจนหายกลัวน่อยนี่ยว่หนูไม่เคยมาวก็หนูไม่เคยมาคุก็แล้วตุน้องเขาก็อยู่บนเขาเขาโดดเดียวก็กลัวกลัวก็ถามเจ้าของว่ากลัวอะไรครับกลัวอะไรเจของก็ตอไมได้ว่ากลัวอะไรแต่มันลึกๆลนไปมันคิดเกผีหรือ หรือหรือกลัวมนุษยม์มนุษย์ไม่มีอ่ะไม่มีลนมนุษย์มันม า, มายหรอกอ่าที่นีหน่คิดงมันไม่มเหมือนกรูเทพเนะอะถามจ้ของว่าตัวอะไรพวนี้อ่ะมใช่ตัวอะไรังูเหรองูก็ไม่ใช่รู้ก็พอกลางวันลงไปขึ้นมาคนเดียวมาดูเจ้าของตัวอะไรก็มา เดินดูว่าอะไรมันน่ากลัวเห็นภูเขามันยังกลัวกัางคืนหลองปู่เจาคะก็ขึ้นมาคนเดียวทีนี้ก็ดูดูดูอบว่ายรอบรอบรอบรอบรอบหมนไม่มีอะไรแล้วถามเจ้าของอีกว่ากลัวอะไรมันก็ค่อยบรรเทาลงไปได้ถูกถูกถูกอุบายแน่แต่อุบายของใครของมันกลัวยอมรับกลัวจริงๆต้อง ฟามือเข้ามาจับไว้ความที่มันกลัวใจติดตกตุกๆๆได้ยินเสียงอะไรบืหลังคาก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะใครมาเดินคิดว่าผีอะไรแบบน้น้ำานีน้ำฟานีไปวัดป่าไปวัดป่าแต่ก็ข้ามป่าข้าวเช้ก่อนจะไปถึงวัดป่าพอไปถึงวัดป่าก็รถก็ไฟดับจีนี่รถมอเตอร์ของเขาน่ะไฟดับแล้วก็กลัวผีจีนี่ เพราะมีเห็นหลุมฝังศพและเรน่าอยู่ก็กลัวผีไม่มีวิธีจะทาผีเ อ, อ๋ยมากินให้มันตายซะมันกลัวล้าเกินผีผีผุดขึ้นนี่ซะลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ผีเ อ, อ๋ยมีมามากินให้มันตายซะอมุสชะลุสมันหายเลยหัวลราจะค่องไปเลยลูกภูเขาเคยใช้ยอยู่อันนี้อยู่ใป่า อหน้าป่าแล้วให้สมานิไปทำเที่ยวถ่ายให้แล้วก็ปวดท้องว่านั้นปวดท้องกระถ่ายไป็น้องเด็ดแล้วก็กลัวเสือเพรเสือเข้ามาบ้านเขากินโคกินกระเบืออยู่เสือเอ๋ยมากินให้มันตายซะกินเดี๋ยวนี้มามามามาเสือเสือกินกิน มันมาสวบมันมากินมันมากัดกั๊บกับกับกับมาสักเสือมากินสะแล้วร่องอย่างนี้มันหัวล่วอเจ้าของมันก็เลยหายกลัวเลยเสือก็ไม่เห็นนี่อุบายหนึ่งอุบายหนึ่งที่นนี้เรากลัวตายจะไปอยู่ที่ไหนใครเกิดมาเขาต้องตายกรรมแล้วค้นของกรรมถ้ามาถึงแล้วจะได้ใส่หินไหวเขาไม่ไหวอันนี้ก็อุบายหนึ่งอีกอุบายหนึ่งที่นนี้ แล้วเขาสมุตรแบบพระสมายพระพทธเจ้ า, อา ง, งอยห้อยยุบที่นี่อันนี้ก็หายนี่ท่านงอยพยุงอยู่ก็ได้มาให้ติดได้ อ, อย่างนั้นเวลาเรานอนอยู่มันกลัวที่นี่สมมติแบบพระสมัยพระพุทธเจ้าเดินงกรมอยู่นี่ท่านเดินไม่ให้ติดเราก็ได้พยูงยงวยท่านเดินไปได้่าอันนี้ก็หายเหมือนกันหายกลัวเหมือนกันนั่นก็ขึ้นอยู่กับอุบายของเราแต่อุบายนึกมากลัวลองเรียกความกลัวมาหาตนใครเป็นผู้ลองเรียกความกลัวมาหาตนก็ตนสิทําไม จะไปร้องเรียกมันมาอันนี้ก็อบายหนึ่งแต่เราไม่ร้องเรียกความกลัวมาหาตนตนก็ไม่กลัวนี่ตัวคนส่งมันขืนเฟซพี่อย่าไปร้องหามันอันนี้อบายหนึ่งนี่มีหลายอบายอยู่มันก็ขึ้นอยู่กับควาพยายามของเรามันก็หายเหมือนกันนั่นอืมอืมอือันนี้ก็อบายหนึงใช่้วเหมนกัน ถ้่เหมือนกันสมาธ น, นองค์หนึ่งอยู่บ้านห้องไาผมกลัวผีผมกลัวผีมากเออไปถ้ากลัวเราจะพาไปก็มันอยู่ผีป่ายชาสิ่มันอยู่ป่ายชาอยู่ป่ายชาบ้านองาฟแล้วก็ไ่นอนหลุม ม, มันให้ไปดูเน่เน่กลัวทำไมถ้ากลัวขี้ดินก็วิ่งอยู่สินี่ถ้า กลัวผีกลัวอะไรร่างกระดูกกร่างกระดูกเต็มตัวของเราอยู่เดี๋ยวก็วิ่งสิถ้ากลัวธาตุดินก็ดินอยู่ในกระดูกของเราเป็นธาตุดินหมดถ้ากลัวธาตุดินถ้าตุน้ําถตุไฟธาตลมก็วิ่งสิถ้ากลัวธาตุดินก็จะไปเยียบดินถ้ากลัวธาตุไฟก็จะไปใช้ไฟอย่ากลัวธาตุกลัวธาตุลมก็จะไปใช้ลมสิอย่าไปหายใจเขาออกสิถ้ากลัวธาตุน้ำก็อย่าไปกินน้ํำสิมีแต่ดินน้ําไฟลมอยู่ที่นี่กลัวอะไร้างนอกก็มือนกันในก็มั่นกันแล้วพูดอย่างถ้าผีมันมา มันทําอย่างนี้ใส่เธอเธอก็ทําไม่เป็นหรือของเธอก็มีเธอก็ทําสิพูดอย่างนี้ก็ไปยังซั่วหายไปบ้าอเน่น่อยน่หน่อยก็ฮะอวยเอามันใช่ไหมฮะที่นี่พื่อรู้จะไปทางไหนเนีไงเดินไป เดี๋ยวเดเดี่เอะพทธวัตรทางเนอะถ้ามีคนรัดทุนทางถ้าเขไปปล่อยจะช่วยกันเนอบไม่พอมันตายเนอะแต่ชื่อวาท่านอาจารอะอืม แกมีแฟนก็นคงเป็นโลหนึ่งโลใช่ไหมกว่าระวังเท่าให้ดีไปวิรูปเขวิรูปเข๋วิรูปเข๋ได้ไหมไ ด, ได้นะเออวิรูปรเข๋ถ้าถ้าไม่ได้วิรูปรเข๋ก่อนสิ่งที่มีวิญญาณของสิงขรตักใจโลกธาตุ เขาเป็นมิเป็นสหายปจจารเวีนไทยอยู่ทุกเมื่นโยนิสีทุก้นหน้าจะเป็นศูอยู่ทุกมืเธอเขาเป็นมิเป็นสหายาั้งแต่โลกตาดอยู่ทุกเมื่อยังไ้่มีเวมรมีไปเลยพระชาไทยเรานี่ก็ใช้ได้เหมือนกันไปนเพราะความเป็นธรรมบ้าเพราะความเป็นธรรมบ้าการขอความเป็นธรร ม, มาจะขอจากปักเทศใดก็ต้องขอจา ก, กที่พระพุทธ ศ, ศาสนาสิเพราะเหตุใดพระพุทธศาสนาบัญญัติธรรมะตรง พระ อ, องค์ท่านบัญยัติธรรมเป็นผู้ไม่มีกิเลสพระพุพทธเจ้าทั้งหลายพระเป็นธรรมอันของเก่านั่นเองมาส่วนลอยกันบัญญัติเฉยๆการปกครองในการบ้านในการหมู่ในระหว่างผัวกับเมียก็ดีในระหว่างครอบครัวในระหว่างหมู่บ้านในระหว่างตำบลในระหว่างอำเภอในระหว่างจังหวัด ในระหว่างพนาคหรหลวงในระหว่างภาพพอดีหรือชาวโลกทุกทุกท่านก็ดีถ้าไม่มองดูคำสอนพระพุทธศาสนาณเดออลอรเจอไปไม่รอดก็อพระพุทธศาสนาควบโลกแล้วสักค้าเทวามนุษยนานังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ต่างหลาย น, านันน่นนั่นนั่นๆั่นใส่ไม่โตอีกด้วยยืนยันใอยาเพลงเลยไม่ขั้นข้าม นัชันครบับเสีหานทางณัชชันเตเตเถิดนั้นพพรมัสสาตน า, าจึงเปล่งสี ย, ย ห, หนาฏในพุทธบริษัทไม่ประมาเลยเพราะเป็นคําอันจริงคำบันไดที่พพรมศัสาศาสาตน า, า บ, บอกว่าเธอทั้งหลายไปร่วงละเมิดเดี๋ยวจะชิบหายเธอพวกเราไปร่วงละเมิด ก็ช Get ิบหายจริงจริงเช่นเลขผาผาบัดบัดเบอร์เบอร์อันเหตุฉะนั้นองค์ท่านจึงเปลี่ยนอุทานเนี่ยเปลี่ยนเปลีเปลี่ยนเปลี่นเปลี่นเลี่ยนเั่นม่นิยมชั้นวันละธนาคารเลขเลขผาผามีไหมไม่มีทำไมโรคยิงชอบเล่นกันก็เพราะโลก พระโลคขบธรรมะของพระพุทธศาสนามาแต่เหตุฉะนั้นจึงอันระเองหิวโหยอยู่ทุกยอมยาเอา้าพวกเขาที่ปฏิเทศระบาบไม่มีบุญไม่มีนน เ, เขาไปได้ไหมเขาเทศให้เราฟังแล้วใช่ไหมพวกที่เขาถือว่าไม่มีบาปไม่ีบุญเขาไปล่อยไม่ได้เขาแตกกระเจิงพอรู้ตัวก็หมดทุนต่อสู้ ก็เป็นกันเทศใหญ่แล้วเราได้ฟังเทศไหมเราฟังเทศเขาไหมนี่จนะการเทศใหญ่แล้วเขาเทศให้เราฟังไม่ลงธรรมะอันอา้าวนะพูดสแวงหาเรีย่ยหาผาหาบัตรหาเบอร์ก็คือแสวงหาความผิบหายนั่นเองไม่ใช่อันอื่นนนโน้ตยบัตร เมื่อมนุษย์มีบัตรแล้วสวรรค์สมบัติจะมาจากประตูได้เมื่อสวรรค์สมบัต like ิแล้วพรหมสมบัติจะมาพรหมสมบัติจะมาจากประตูได้เมื่อสวรรค์มีบัตรแล้วก็ต้องเป็นพรหมนีบัตรทีนี้นิพพานสมบัติจะมาจากประตูได้ก็นิพพานนีบัติอันเดียวกันงั่งนั่งนั่นผู้ที่เห็นกงจับว่าเป็นดอกบัวเมื่อมือเข้าไปจับ มันก็ตัดขาดนะความเห็นชนิดนี้เป็นที่พึ่งของตัวแล้วหรื อ, อยังถ้าหากว่าความเห็นชนิดนี้เป็นที่พึ่งของตัวได้เป็นที่กเกษมทําไมเราจึงทุกบานหน้านั่นทุ ก, กจิจทุกใจได้ทรัพย์สินบานหน้าทําไมถึงไม่เจริญนั่นมันไปอยู่ที่ไหนนั่นรัฐบาลเล่นรัฐบาลก็ชิบหายรัฐบาลเล่นเล็กก็เป็นรัฐบาลมิจฉาิฐิสิไม่สมกับถือสาตนะพุทธเีย์เผย์เลยแล้วเร า, เราจะเอา เราไปตัดคอเราก็จะไปเลือดทุกหยดบดชาวพระพุะทธธรรมพระสงฆ์หมดเรานั่นแต่ก่อนก็พุทธ น, น้อยๆแล้วกเกิดปีทีก็แรงขึ้นอีกเสียดเสียงๆเลยละเราไม่เข้าเลยบวชมาจะรัลนพันษากว่าตามจะเดินจงกรมภาวนาจนเท่าแตกก็าตามจะนั่งจนขุ้มขมถึงขขนหล่นก็าตามถ้ายังมีใจเลื่อมใสปฏิพัตอาบา ย, ยมุ่อยู่แล้วนะ สู้เขารักษาเส้นหายอยู่บ้านไม่ได้ น, นัสู้สุนัขมันไปกินขี้ก็ไม่ได้เพราะมันไม่บาดไม่ตกนรกเดี๋ยวมนุษย์มันไปไ ป, ไปตกนรกหมาไม่จินขี้มันไม่ไปหรอกเพราะไม่มีใครหวงชี้นั่นข้าปฏิบัติแผ่นนทุกข์แผ่ันบรต้องสานปัญหาไม่มากข้าปฏิบัติ เพื่ออามิทธ์ในทางที่ไม่ชอบยิ่งไปกันใหญ่แต่ปฏิบัติเพื่อมนุษย์สมบัติวัตถุสมบัติในทางที่ชอบมันก็ยังไปไม่สะดวกยิ่งจะไปหาสมบัติในทางที่ไม่ชอบเข้าใจว่าเป็นของชอบที่คืนใส่ไฟเพื่อแรกเอรุ่นก่อนคืนมาก็มีแต่เท่าฐานเท่านั้นเองกาฝุน่นลงในมหาสมุทรทะเล ไม่เห็นกลิ่นเลยลงเรือลงน้ำในมหาสมุทรทะเลลงขั้นที่แรกก็เพียงเขา่าบั้นเอวบ้างหัวใจบ้างคอหอยบ้างลงคลื่นซัดมาหนา้าเข้าปากเข้าจมกูกรือก็หลุดมือไปไม้พายก็หลุดมือไปตายเลยเรือแล้ไม้พายซัดขึ้นฝั่งแล้ว ตนของตนก็ตายอยู่ที่นั่นเป็นซักขึ้นฟังเพราะถิ่งเหลือถึงแพเรือแพคืออะไรคือคำสอนของพุทธศาสนานั่นคำสอนใดใ ด, ดในใจโลกธาตจะมาแข่งขันประชันคำสอนและพุทธศาสนามัน ก, ก็เท่ากับว่าเมฆทันพักกาบไปคว้างใส่ภูเขาหิมาลาย เนี่ยนั้นการถึงพระพุทธศาสนาจึงลึกลงไปลูกระเบิดปรมาณูทําลายไม่แตกแผ่นดินนะ้าสองแสนสี่หมื่น 40, โยศเขาเอาลูกระเบิดปรมาณทูทำลายแตกจิตใจที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงแล้วลึกไม่มีประมาณไม่แตกกระเจิงเลยนะถึงเองนี้เป็นหน้าที่ชาวพุทธ มันเป็นหน้าที่จะตื่นตูมกระตายตื่นตูมคือตื่นหาอบายยมุขอบายยมุขมุขมุขแปลว่าชิบหายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากโหนเอกคือพระธสมาัรพระพุทธเจ้าทายตรงกันมวดจั้งล้านพระองค์ไม่อวดดีต่อใครเลย โคตหมายโคตรหมู่โคตรพักกคตรทัวของชาวเราตั้งขึ้นบ่อยๆก็เพราะมีกิเลสเข้าข้างตัวจะจับกลุ่มกันมากลุ่มนั่นเท่านั้นกลุ่มนี้เท่านี้กตามใครวางลงก็เพื่อประโยชน์กลุ่มของตัวเพราะมีกิเลสและเจ้าเรือนเหตุนันการละกิเลสจึงเล่นไม่ได้ทำเป็นโรคปารคุ้มครองโรคทั้งอยาคนละอายต่อบาปก็กลัวส่อบาปเพรานั้นจะคุ้มครองหลงได้ถ้าไม่มียังอายต่อบาปแล้ว ก็ขายก็ก็ทักก็พูอ้ก็ตั้งมาอยู่อูของทําไม่ทำคำหนึ่งก็หมดที่ต้นทิ้งเองอาศัยทำควมชั่วในที่แก้ไม่ได้ก็ไปทําในที่รับนั่นนั่นััั่นสบายยมุมันก็ปีนเกลียวเี้นห้าใช่ไหมนั่นมันก็ปีนเกลียวไปหมดที่นี่แม่ละอายต่อบาไม่กลัวต่อมันก็ต้องปีนเกลียวไปหมดเส้นอะไรอะไรปีนเกลียวไปหมดนั่น นับแต่น้อยไปหามากหรือเปลี่ยนไปหมดนะ่ะเปลี่ยนเกียวเปลี่ยนเกียวความดีของเจ้าตัวนั่นเองไม่ใช่เปลี่ยนเกี่ยวอันอื่นเพิ่มความหลงของเจ้าตัวนั่นเองไม่ทําลายความหลงของอตัวเจ้าตัวนั่นเองไม่มีสติปัญญาต่อสู้กับความหลงของเจ้าตัวนั่นเองนั่นนั่นนนนี่สู้กันอยู่ที่นี่ชนะปัะชนะกันที่นี่แพ้ก็แพ้กันที่นี่ คะทางอื่นมีดับดดินของเถรพระพุทธศาสนาไม่เอามาคนเตพูดเลยมันมักมัดมัอตอนนี้ก็จะให้พอหนหลูกหลานกลับบ้านครับมันคั่มแล้วหลวงปู่ก็จะมีเวลาตรงน้าเดากท้าวีวาหาตุราปริรตุเรียนเทียตากางมมมโตนนำเปตานางอุปกปิมีการปฏิการตรงงนสุคนวศีลศิริศุตุเกตเรียนตุงกัาจังโตพนรตโตเดกามณีโติตโตเดา สักสิบสวัวัชชะโตวขโยลกวิะวมารเววัตตอันตรายโสสิี่สาโโทาอภิวาชนะสิทธิศรจังวุฒิการาจิโนจักาโรธรรมวันสิอายุวันโนกังังความดีคนดีทำในง่ายคนดีคนชั่วทำได้ยากคนชั่วคนดีทำได้ยากคนชั่วคนชั่วทำในง่ายอันเดียวกัน ปุจจาระมาแ ร, ง, ารงวันกินได้ง่ายเกยอกรอไม่มาแรงวันไม่เจอเลยแต่ว่าปุจจาระมลงผู่ไม่เจอเล ย, เ, ย, เ, เ, ลยเป็นของผืนใหม่มแงผู้มาแรงผึ่งธรรมดาอ่านว่าธรรมดาธรรมดาคบแปดมื่นสี่พัมขัน ธรรมดาเข้าใจผิดธรรมดาเข้าใจถูกก็มีหลายชั่นธรรมดาพระพุทธถูกประพุทธผิดก็มีหลายชั่นธรรมดาที่ก้าวหน้าก็คือชั้วชัดาวันสัพพะชามีนาสามีรหันเป็นธรรมดาที่ออกโลกตามก่อนั้นลงมาเป็นธรรมดาวนเวียนอยู่ในวตารสองสามเป็นธรรมชาติวนเวียนอยู่ในวตารสงสามผู้ใดไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดเส้นห้าผู้นั้นได้คือพึ่งแล้วผู้ใดไม่เสียดายอยากซื้อที่สารราอื่นผู้นั้นก็มีคือพึ่งอันเกษมแล้วอบอุ่นแล้วไม่ผิตใจ ทำไมอย่างนั้นแล้วก็หรือเจอ้าทาไมเขาจึงเรื่องสายพระพุทธศทาสนาก็เพราะว่าสนาบารลีเขาแก่ข้ามาแล้วทําไมเราจึงไม่รู้อิหนู่เนี่กับพระพุทธศทาสนาก็พระบาลีของเรายังต่ำต้อยแต่ว่าจะอยุดแอบจริงกับต่าต้อยอยู่ก็ต้องอบรมนะ ทำไมเราจึงอ่านจึงเขียนอันนี้ไม่เป็นเพราะเราไม่ยอมเรียนเพราะเราไม่ยอมปฏิบัติไม่ยอมอีดนไยอมเขียนอันเดียวกันนะคนเราใจถึงทางทำดีมเมื่อแรงวันใจถึงทางหมดพูดเมื่อแรวพึ่งใจถึงทางทำดีโลภีใจถึงทางทำดีโางั่วพระโสดารวันใจถึงทางจะออกจากวัฏสงสาร พอ เ, เห็นภาพพจน์แล้วมันมีภาพพจน์ขนาดไหนในใจโลกธาตุอ่านออกมดแล้วเห็นอันนิจังคณะหนึ่งเห็นโลกราบหนึ่งเหมือนกันทะลุไปเหมือนกัน